เดี๋ยวพัวเรียนไประดับสูงตรงนี้ก็ฝึกซ้อมอีกนั่นแหละพโยคาวจรย่อมเห็นแจ้งธรรมทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้ด้วยทั้งปัญญาเป็นเครื่องรู้ด้วยดังนี้เพราะะฉอก็ไม่ยึดถือแม้กระทั่งอะไรนะปัญญาเลยจริงๆเหนะ็นไหเพราะปัญญาเนี่ยตอนเจริญนี่เป็นธรรมที่ควรเจริญสมมุติปัญญาตอนที่มันเกิดขึ้นนะเป็นทาเวตปธรรมแต่ถ้าปัญญานั้นมันหมดไปแล้วนะเป็นปรินญยญธรรมทันที อันนะถ้าถ้าถ้าทำมันมันทำกิจจบไปแล้วใช่ไหมปัญญานั้นมันหมดไปแล้วอันนั้นอนะ่ะฐานะต้องไปเจริญอนุปัสนาเจในปัญญาตัวนั้นเพราะปัญญาระดับนี้ยังเป็นทุกขสัตย์อยู่ไม่ใช่มรรคสัตย์เห็นไหมแต่คําเหล่านี้ท่านจะระวังมากนะท่านจะไม่ใช้เกลอทั่วๆไปจะไม่ใช้น้อยมากที่จะใช้เพราะอะไรเดี๋ยวปัญญาก็ไม่เที่ยงดีห ปัญญาก็เป็นทุกข์ปัญญาก็เป็นอนัตตาอย่างเงี้ยนะหนักๆเท่าศีลก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมาธิก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรจะเกิดขึ้นคิดว่าเยังว่าไงนะไม่ดีใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพาเวตประธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญแต่ถ้ามันหมดไปแล้วนะเป็นปริญญาธรรมทันทีนะต้องเก็บเอามาพิจารณาไม่งั้นเนี่ยปัญญานะมันเป็นอุ้ยอาหารอันอร่อยของมานะนะ ปัญญาที่มันดับไปแล้วนี่เป็นอาหารที่อร่อยมากของมานะมานะมันชอบชอบตอนมานะมันเกิดมันเป็นคว่ามันเป็นปัจจุบันะมันอาศัยปัญญาที่เคยเกิดในอดีตนั่นแหละเป็นอาหารชั้นเลิศว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเรานี้เป็นผู้เจริญอนุปัสนาคนอื่นนี่สู้เราไม่ได้ซักคนเลยนะแต่ตอนนั้นนี่มานะนะปัญญามันหมดไปแล้วนี่ก็เหมือนกันเพราะท่านจึงระวังมากเลยโดยที่ว่า อย่าให้ปัญญาอย่าให้ความรู้เป็นอารมณ์ของตัณหามานะทิฐิเลยเนี่ยนะให้ตามพิจารณาว่าปัญญาที่เคยเจริญนั้นก็ไม่เที่ยงอะไรเนี่ยนะอันหนึ่งในคําเหล่านี้คําว่าตามเห็นคือเห็นอยู่เนืองๆได้แก่เห็นเสมอเสมออนนี้อ น, อ น, อนุปัสติติเนี่ยนะอนุอนุปัสติอนุอนุเนี่ยบาลีเนี่ยท่านบอกอู้ย้ำ ม, มากอนุนี่แปลว่าตามหรือเสมอเสมอนะบ่อยๆ หมายว่าให้เห็นอย่างนี้ให้เห็นให้บ่อยที่มาของปกติอนะให้เห็นเป็นเห็นเว้นแต่ลับอ่ะเห็นเว้นแต่ลับเห็นเว้นแต่อะไรเห็นเออเห็นเว้นแต่ลับนี่ดีที่สุดอธิบายว่าเห็นอยู่บ่อยๆโดยอาการเป็นอเนกอเนกแปลว่ามิใช่หนึ่งเห็นให้เห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่ครั้งเดียวพอครั้งเดียวก็เกินพอตรงนี้ไม่ได้ใช้กับเรื่องนี้นะ ถ้าบาปนี่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วแต่ถ้าปัญญาเนี่ยโอโ้ยต้องมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้บ่อยมากที่สุดเพราะเหตุ น, นั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าคําว่าตามเห็นตามเห็นเนี่ยนะถามว่าตามเห็นอย่างไรก็ตามเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นต้นก็ตามเห็นโดยอนุปัสนาเจตให้ตามเห็นโดยอนุปัสนาเจตเว้นแต่หลับเลยนะคนที่เจริญอย่างนี้นะถ้าท่าเจริญตามนี้จริงๆเนี่ยนอนน้อยมาก มีความสุขกับการเจริญท่านมองเห็นว่าการหลับนี้เป็นความช้าจริงๆเห็าไหมแปว่าโหตอนนี้เนี่ยอะไรนะแก้วแวนเงินทองกําลังไหลมาเทมาเนี่ยหลับไม่ได้ต้องรีบเจริญเต็มที่นะอริยทรัพย์กําลังไหลมาเทมาอย่างนะี้นก็เจริญเต็มที่เลยในอาการเหล่านั้นเพราะเหตุว่าชื่อว่าความแตกดับพังคะได้แ ก, ก่ปลายสุดเป็นอย่างยิ่งหมายความว่าจุดจบของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง ตอนสวัสดีของภาพยนตร์นะครตอนจบตอนตอนจบของทุกเรื่องนะที่จบของสังขารมันอยู่ที่ไหนอันนี้พูดถึงตอนจบอย่างเดียวนะตอนจบของรูปตอนจบของเวทนาตอนจบของสัญญาสังขารและวิญญาณตอนจบของตาตอนจบของหูตอนจบของจมูกของลิ้นท้องของกายและของใจเนี่ยนะถ้าวถามว่าถ้ารู้ที่จบของทุกเรื่องแล้วมันจะสนุกตรงไหนเนาะขันห้านะถ้ารู้จุดจบของขันห้าเป็นอย่างดีเนี่ยจะมีความสุขกับขันห้าไหม ไม่มีนะถ้ารู้จุดจบของขันธ์ห้าอย่างแท้จริงนี่ก็เหมือนกันตามเห็นแต่ปลายสุดก็คือจุดจบของรูปจุดจบของเวทนาจุดจบของสัญญาสังขารและวิญญาณตอนจบของตาอยู่ที่ไหนนะไม่มีตานะตาก็สลายหูก็สลายเนี่ยนะคือจุดจบของตาหูเป็นต้นนะ่ะ ฉะนั้นพระโยคาวจรผู้ตามเห็นความแตกดับนั้นย่อมตามเห็นสังขารทั้งหมดว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นว่าเที่ยงแต่นั้นก็ย่อมตามเห็นสังขารที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตามเห็นว่ามันเป็นสุขตามเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นอัตตาเพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาถ้าที่อื่นๆนะพระองค์ตรัสว่ายังไง ผู้ที่ปฏิบัติใกล้ต่อสิ่ความสิ้นไปแห่งอาสวะอยู่ชิดพระนิพพานเนี่ยให้เจริญ อ, อนิจจสัญญานะเจริญอนิจจสัญญาใช่ไหมคือตามเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็บอกอนิจเจทุกขสัญญาตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกอนิจเจทุกเขอนัตตสัญญาตามเห็นสิ่งที่เป็นทุกขนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาถ้าเจริญอยู่อย่างนี้ไม่นานสักเท่าไหร่จะพ้นทุกข์เหมือนกันนะ ถ้าเห็นตามนั้นจริงๆไหมก็ตอนเรียนนี่เออใช่ใช่ตอนเลิกเรียนก็อีกเรื่องนะตอนตอนปิดเทอมก็อีกอย่างหนึงเลยตอนเปิดคัมภีรก็อีกอย่างหนึ่งนะยเปิดเปิดคัมภีร ก, ก, นะก็ใกล้ชิดภาษาสดาปิดคัมภีร์ก็ปกติคืนสู่สามัญชนหรือเปล่นนะปิดไม่บ่อยหรอกปิดทุกอาทิตย์นัเนี่ย ก็เพราะเหตุที่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันใครใครไม่ควรเพลินสิ่งนั้นตรงนี้พูดถึงลักษณะของปหาณะปริญญานะลักษณะปหาณะปริญญานี้เข้าเป็นอย่างนี้เลยก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาก็สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นน่าเพลินไหมเนี่ยนะน่าเพลิดเพลินไหมน่ายินดีไหมน่าพอใจไหมสดชื่นไหมอย่างเงี้ยไง และสิ่งใดไม่ควรยินดีก็ไม่ควรกำหนัดในสิ่งนั้นนะนะอันนี้เป็นอนุปัสนาที่เท่าไรอืมฮะนะคลายกำหนดนะนะวิราคานุปัสนาเพราะฉะนั้นพโยคาวจรย่อมเบือน่ายนิพพานอนุปัสนาใช่ไมไม่ใช่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดในสังขารที่ได้เห็นแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ตามแนวแห่งการตามเห็นความแตกดับนั้นคือคือการเห็นความแตกดับอย่างเดียวเนี่ยนะก็ไอสิ่งที่แตกดับนั่นแหละเป็นทุกข์ทั้งแตกดับด้วยเป็นทุกข์ด้วยมันจะเป็นอัตตามาจากไหนทั้งแตกดับด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยควรหรือจะเพลิดเพลินทั้งแตกดับด้วยทั้งเป็นทุกข์ด้วยทั้งเป็นอนัตตาด้วยไม่น่าเพลิดเพลินด้วยควรไหมที่จะยึดถือ ควรไหมที่จะเกาะเกี่ยวเนี่ยนะควรไหมที่จะสร้างความหวังเอาไว้กับสิ่งนั้นไม่ควรเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรก็เห็นสังขารเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเห็นความแนวตามแตกดับก็เลยไม่กำหนัดในสิ่งนั้นเนี่ยนะคือคือไอ้กำหนัดเนี่ยนะพูดแบบภาษาแม่เหล็กหน่อยก็คือดูดอ่ะนะสูบอย่างเดียวนะติดหนับยอะไรเงี้ยเนี้ย น, นี่ก็เริ่มพลิกอีกข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมเป็นกลายเป็นว่าผลักออกละ เพราะว่าถ้าสูบเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นก็สูบยาพิษเข้ามานะปิตายทำเป็นกลัวจริงไม่กลัวหรอกแต่ตอนฟังเนี่ยใช่หลยเริ่มแปลกลัวแล้วน ะ, ะพระโยคาวาจรนั้นเมื่อไม่กำหนัดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าทำราคะให้ดับไปด้วยยานอันเป็นโลกยะนั่นเทียวก่อนคือคือหมายถึว่า ทำราคาให้ดับนะคลายกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนานะบอกไม่เอาไม่เอาแล้วนะนะตอนฟังทำนะใช่เลยใช่ไมโลกิยะญาณมันเกิดบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาลองเอาบอกได้เอาหลางหารว่างแลว้ว <laughs> ขอเราอย่าเป็นคนสุดท้ายดีกว่า <laughs> ตอนนี้ฟังปั๊บออ้ยทำราคาให้ดับยนะังไงเมื่อไม่ทำให้เกิดขึ้นอันนี้ชื่อว่าไม่ทำให้สมุทยัยคือไม่ต้องการสร้างกองทุกข์ะนะ คือระดับสูงหมายว่าไม่ต้องการสร้างกองทุกข์เขาบอกว่าตานี้ก็เพียงพอแล้วที่อะไรนะพูดแบบพระพุทธเจ้าตราก็บอกเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัดในสังขารอย่างนั้นะนะนะมีเยอะนะในอนมัมตะคะสังยุทธเนี่ยสังยุทธ์ที่ว่าด้วยเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งสังสารวัฏเนี่ยไม่มีจบสิน้นพระองค์บอกว่าถ้าเธอเห็นนี่นะเธอประรูอย่างนี้นะแล้วเธอก็มาคิดไว้เสมอว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะเบื่อหน่าย เพียงเท่านี้พอแล้วที่จะคลายกำหนัดเพียงเท่านี้เพียงพอแล้วที่จะหลุดพ้นเนี่ยนะหมายความว่าเสียใจแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วทําไมจะต้องไปรอเสียใจอีกครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะนะเวลาเวลาอ่านอนมัมตะค่าสังยุตนะรู้สึกเห็นพระกรุณาของพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับอะไรนะพ่อแม่ที่ที่สงสารลูกไหมไปคอยปลอบลูกนะลูกเออแค่นี้ก็พอแล้วที่ลูกไปเจ็บมาอย่างเงี้ยนะ ก็คอยปลอบสูตรแล้วสูตรเล่าสูตรแล้วสูตรเล่าบอกพอไห้อะไรนะปลอบพอมีใจดมีกําลังหน่อยไปต่อไปไปหาเรื่องเดือดร้อนมาต่อแล้วก็มาอ่านคําปลอบใจใหม่อย่างนี้เลยอีกในหนึ่งมีความหมายว่าพระโยคาวจรเป็นผู้คลายกําหนัดแล้วอย่างนี้นั้นย่อมยังสังขารแม้ที่ยังไม่เห็นให้ดับไปคือรู้เลยว่าไอการเกิดขึ้นของสังขารมันไม่ดีจริงใช่ไหม ต้องการจะดับมันโดยอย่างเดียวเหรอนะีอย่างที่โยมเขาว่าเขาเขาเขาป่วยนะเขาไปฉีดยาเช้าเข็มเยน็นเข็มเชา้าเข็มเยน็นเข็มเนี่ยนะก็บอกอ๊ยขอให้เข็มนี้เป็นเข็มสุดท้ายเถอะเนี่ยนะ ก, ก็พอแล้วหนวะังกันเถอะเขาหมอว่าเข็มนี้เป็นเข็มสุดท้ายไม่ต้องการเข็มใหม่อีกแล้วนะปักครั้งถูกเข็มปักครั้งนี้ก็พอแล้วอะไรแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องการที่จะทําให้สังขารเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนอย่างสังขารที่เห็นแล้วด้วยอํานาจแห่งยามที่ตามรู้ย่อมใส่ใจว่าดับไปเท่านั้นก็คือเห็นในความดับไม่ต้องการสร้างอ่ะนะ ก, ก็คือถ้าดับได้เป็นสุขอ่ะนะเตอะไรนะอันนี้จาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมโสุโขอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมโสุโขถ้าดับได้นี่โอ้สุขจริงๆเลยนะ ก็มั่นใจเลยถ้าดับในสุกแม่ก็ย่อมตามเห็นแต่ความดับไปของสังขารเท่านั้นไม่เห็นแต่ความเกิดขึ้นเพราะว่าใจเนี่ยมันน้อมไปเพื่อดับโดยอย่างเดียวใช่ไหมนี่โรธานุปัสนาเนี่ยใจก็น้อมไปเพื่อความดับเพราะนนี้โรธานุปัสนานั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่มีกําลังให้แทงตลอดนิโรสัจเนี่ยนะถ้าไม่มีนีโรธานุปัสนานะี่คิดว่าจะเห็นนิโรสั จ, จะได้ไหม เป็นไปได้ไหมที่จะเห็นนิโรธสัจจะถ้าไม่ตามเห็นความดับของอุปาทานขันท่าทีนี้ไอการที่จะดับได้นี่ถ้ายังยึดถืออยู่จะดับได้ไหมไม่ได้พระโยคาวจรผู้ปฏิบัติได้อย่างนั้นย่อมสลัดทิ้งได้ไม่ยึดถือเอาไว้อันนี้เป็นปฏิสังขารนุปัสสนาเน่ยนะปฏิบัติได้อย่างนั้นก็สลัดทิ้งแล้วไม่เอาละอน น, น หรือพูดแบบภาษาชาวบ้านทั่วไปก็บอกอาเจียนแล้วพอแล้วไม่อมไม่อีกแล้วอะไรเงี้ยนะคายแล้วอะไรเงี้ยข้อนี้มีอธิบายอย่างไรมีอธิบายว่าอนุปัสนามีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นแม้นี้ก็เรียกว่าเป็นปริจาคะปฏิสักขะบริจาคแล้วนะบริจาคนะแปลว่าคายทิ้งแล้อาเจียนออกแล้วไม่ไม่ไม่อมไว้ต่อไปแล้วไม่พอแล้วไม่ไว้แล้วเรียกว่าสละทิ้งโดยการเสียสละไปแล้วก็เป็นปักขันธะปฏินิสักขะ บริจาคแล้วแต่ใจต้องการเล่นไปไหนก็รู้อยู่แล้วว่าสังขารเป็นทุกใจเนี่ยน้อมไปที่ไหนก็น้อมไปสู่พระนิพพานน้อมไปสู่ความสงบระงับจากสังขาเรเรียกว่าปักขันธะนปฏินิสขะเนี่ยนะเพราะสละกิเลส ท, ทั้งหลายเสียพร้อมทั้งขันหมายคืาว่าถ้าจะสละกิเลสได้ก็ต้องสละขันถ้ายังยินดีในขันยังไงก็สละกิเลสไม่ได้เพราะอะไรเพราะขันทั้งหลายเป็นสาสวะโต สังขันทั้งหลายเป็นสังกิเลสิกธรรมโตขันทั้งหลายเป็นที่เกิดขึ้นแห่งกิเลสเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในขันถ้ายังยึดขันก็เท่ากับยังยึดกิเลสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องสละกิเลสพร้อมทั้งขันถ้ายังยินดียินดีในขันชื่อว่ายินดีในกิเลสถ้ายินดีในกิเลสก็แสดงว่ายังยินดีในขันจะต้องสละทิ้งทั้งสองสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะแล้วก็ต้องการสละทิ้งอภิสังขารย นี่นะอ้ทำบุญมาเยอะนะจะเสียดายบุญไ้ยที่จะไม่น่าจะให้ผลนำเกิดบ้างป่าไปไหว้พระเจดีมากราบตั้งเป็นร้อยรอยครั้งแล้วดอกไม้ก็ไหว้อไปไหว้เป็นคันรถคันรถอย่างเงี้ย น, นะให้ทานตั้งเยอะแยะรักษาศีลมาตั้งเนิ่นนานขอบุญอันนี้มันให้ผลอีกสักกลับสองกลับเธอเนี่ยเอานี้รึเปล่าแน่ใจนะสาธุโดยผลแห่งบุญนี้ให้ข้าพเจ้าอะไรเนงะี้ะ อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะมันพู้สังขารเนี่ยดูว่าจะเอาหรือไม่เอาอ่ะนะบุญนี่จะยอมให้นำเกิดหรือไม่ให้นำเกิดไงนะแต่ตรงนี้เนี่ยปฏินิสข า, าเนี่ยท่านต้องการท่านไม่ต้องการแม้กระทั่งกิเลสก็ไม่เอาละสังขารก็ไม่เอาบุญกรรมที่ทำดีมานี่ก็ไม่เอาวิบากแล้วไม่ต้องการวิบากเพราะอะไรทำไมทำไมจึงไม่ต้องการวิบากแห่งบุญ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาป่วยก็สอกระแสะอย่างนี้อีกแลจะไปเอาอะไรใช่ไหมถ้ามาเกิดได้ขันท่าก็มาป่วยอย่างนี้แล้ก็ต้องมาแก่อย่างนี้แล้เนี่ยนะอย่างแข็งแรงมากก็เท่าผู้การนี่แหละขับรถฟังคำได้ตอนอายุเจดสิบเนี่นย น, นะก็อย่างเก่งแล้วนะมีไม่กี่คนหรอก ท, ที่ที่มีบุญขนาดนี้นะแต่อย่างมากก็อย่างนี้จริงๆถ้าเกิดมาใหม่ก็อย่างนี้อีกนั่นแหละโูออการบอกว่าถ้าเกิดได้เท่าเดิมก็ยังดีเหมือนกัน แต่หมายคือว่าถ้าไม่เกิดได้มันดีที่สุดผู้การหมายคือว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้ายังไงยังไงก็ยังเท่าเก่าก็ยังดีอย่างเงี้ยตรงนี้นังสงสัยอยู่หน่อยคือว่าตอนยันต้นๆก็เป็นเรื่องการพิจารณาเอเห็นโทษเห็นภัยของขันธ์หามาตลอดแล้วมันก็ต้องมีการสลละมาะตลอดแล้วมามาตรงนี้ทําไมจรงิงต้องเป็นการสละมาะเพิ่งมาสลละตรงนี้ครับเกิดตรงนี้เนี่ยนะเป็นเอ ตอนแรกเนี่ยเป็นการสละโดยโดยอัยิยาศัยโดยความคิดไอ้ตรงเนี้ยหมายถึงว่าสละจริงๆตรงนี้เป็นการเริ่มสละจริงแล้วคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเหมือนใครมีของรกเต็มบ้านเนี่ยนะตอนแรกก็มาคัดของทิ้งอ่ะอันนั้อันนี้น่าทิ้งอันนี้น่าทิ้งคัดไปคัดมาคัดมาคัดไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยขนไปทิ้งจริงๆแล้วตรงนี้ก็เรียกกาลังขนทิ้งแล้วไอ้ตอนคัดกับตอนขนทิ้งเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ย มันวิปัสนาญาณต้นๆก็เหมือนคัดของเสียทิ้งอะ่ะพอเนี่ยวิปัสนาญาณปลายๆก็คือขนเอาไปทิ้งจริงๆแล้วไม่เอาละนั่นนะเพราะในในลักษณะพุทธพทธจน์จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ไม่แสดงมากนะนะอย่างดูในอธิต่าเปรียยสูดแสดงในอนัตตลักษณะสูตรเป็นต้นเนี่ยพระ อ, องค์ไม่แสดงมากเมื่อเบือนายย่อมคลายกำหนดเมื่อคลายกำหนดจิตก็หลุดทนเนี่ยพระ อ, องค์แสดงอยู่ท่า น, นั่นนะ พุทธพจน์รวมๆจริงๆแล้วจะไม่อธิบายไม่แสดงเยอะเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างนั้นจริงๆบางทีก็ไม่ถึงนาทีอย่างเงี้ยนะเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยหมดแล้วหรือว่าเราจะมองในแง่ที่ว่าการทําปริญญาเริ่มเริ่มแรงนั้นก็ทําปริญญาในในอุ ป, ปาทานขันท่าเสร็จแล้วก็ต้องเอาเอาตัวปัญญานั่นแหละที่พิจนารณาเนี่ยซึ่งมันซึ่งถือว่ามันดับไปแล้วก็เป็นทุกข์สัตริย์ แล้วนํามาทําปริญญาต่อหลายหลายชั้นหมายความว่าตัวปัญญาอันนั้นใช่ไหมครับที่จะสละที่สละยากที่สุดตรงนี้ใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้มาเนี่ยนะก่อนหน้านี้วิปัสสนาญาณต้นๆเนี่ยมุ่งอธิบายปริญญ ย, ยธรรมแต่ตรงเนี้มุ่งอธิบายปหาตปรธรรมว่าถ้าเกิดการวิจัยไปอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะละอะไรได้บ้างก็จะเป็นการพูดถึงสิ่งที่ถูกละ ว่าจะต้องละอะไรได้บ้างมันเป็นการวัดผลว่าถ้าคุณพิจารณาญาณเหล่านั้นถูกต้องดจองบบนะีจะต้องมีการละแบบนี้นะจะต้องมีการละแบบนี้เพราะว่าหลักการก็บอกว่าผู้ใดกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็ชื่อว่าได้ละสิ่งที่ควรละด้วยก็ชื่อว่าทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งด้วยเดี๋ยวต่อไปจะพูดถึงสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งอีกเพราะว่าอย่างอย่างสมัยใหม่เนี่ยเวลาเรากําหนดรู้สิ่งใดเราก็ว่าเรากําหนดรู้ใช่ไหม แต่เอ๊แต่ทำไมยังละอะไรไม่ได้แต่พูดว่าเอ๊กันกำหนดรู้ดูเหมือนละได้แต่ทำไมไม่บรรลุอะไรสักทีหนึ่งมันจะบรรลุได้ยังไงอะไรก็ยังไม่ได้เจริญเลยอย่างเงี้ยมันก็พันสี่อย่างนี่ต้องสัมพันธ์กันคือการกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้การละสิ่งที่ควรละทาให้แจ้งสิ่งที่ควรทาให้แจ้งและการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญอันนี้คือการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์กันว่า การกำหนดรู้การละการทำให้แจ้งการเจริญเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรนะโจทย์ภายในลึกๆเป็นอย่างนั้นและเพราะมีการเห็นโทษในสังคตะธรรมจึงเล่นไปในพระนิพพานอันตรงกันข้ามกับสังคต ธ, ธรรมเนี่ยนะ โดยความเป็นผู้มีใจน้อมไปในพระนิพพานเนี่นะ้อมออกเต็มที่แล้วไม่เอาแล้วที่อะไรนะจะถ้าเป็นพุทธพจน์ ท, ที่อื่นๆนี่จะแสดงว่าเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญวิริยะเออเจริญธรรมาวิจยาวิริยะปีติปัสสัททิสมาทิอุเบขาสัมโพชงนั่นนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ หรือเจริญอินทรีย์เจริญพระเจริญองค์มรรคเจริญอิทิบาทเป็นต้นอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละถ้าเปรียบเทียบมองเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับว่าโหเล่นเรือเต็มที่เลยนะที่ทจะที่จะออกจากฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะตอนนี้กำลังติดเครื่องใหญ่เลยนะดังสนั่นวันไหวไปหมดบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเวนี่ยนะเพราะฉะนั้น ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุปัสนามีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นจึงสละกิเลสทั้งหลายได้และแล่นไปในพระนิพพานได้ด้วยโดยนยะตามที่กล่าวแล้วทั้งไม่ยึดมั่นไม่ยึดถือกิเลสทั้งหลายไว้ด้วยอำนาจแห่งการทําให้บังเกิดขึ้นคือจะไม่ยอมให้วัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปและก็บอกว่าเข็ดเต็มทีแล้วที่จะให้วัตถุนั้นเป็นวัตถุแห่ง กิเลสเนี่ยนะถ้าพูดแบบหยาบๆหน่อยเราเห็นหน่อยก็บอกจะไม่ยอมโกรธเพราะวัตถุนี้อีกต่อไปจะไม่ยอมให้วัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโกรธความหลงอีกจะไม่ยอมเด็ดขาดนะจะไม่ยอมให้ความโกรธเกิดขึ้นโดยมีเรื่องนี้เป็นอารมณ์แล้นะเพราะนั้นอันนี้ลักษณะนี้ระดับสูงก็ในายะเดียวกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งวิญญาณเหล่านี้จะไม่ให้เป็นวัตถุแทนกิเลสอีกต่อไปเนี่ยนะบอกว่าที่มันเคยเกิดมาก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ต่อไปนี้จะไม่ยอมให้วัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะอีกต่อไปทั้งไม่ยึดถือกิเลสไว้ด้วยอำนาจการทำให้บังเกิดขึ้นไม่ยึดถืออารมณ์ที่เป็นสังตะเอาไว้ด้วยอำนาจความเป็นผู้ไม่เลงเห็นโทษแลผิดวะ ไม่ยึดถืออารมณ์ที่เป็นสังคตะไว้ด้วยอำนาจความเป็นผู้ไม่เล็งเห็นโทษเพราะนั้นท่านจึงกล่าวว่าปล่อยทิ้งไปไม่ใช่ยึดถือไว้ต้องโดยอัฏฐะน่าจะบอกไม่ยึดถืออารมณ์ที่เป็นสังคตะไว้ด้วยอำนาจไม่เล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้โทษนะไม่ใช่ว่าสิ่งนี้ไม่มีโทษ คือคือท่านต้องการอธิบายแบบนั้นว่าจริงๆอ่ะท่านการแสดงธรรมะเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยวิธีแสดงมีสองอย่างแสดงแบบตรงๆกับแสดงแบบตรงกันข้ามบาลีเรีระยกพยัติเรกะกับอันวายะถ้าพูดอันวายะก็คือพูดตรงๆพะยะัติเร ก, ก็พูดแบบตรงข้ามจะเอาก็หาไม่อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เอานี่ก็เหมือนกันจะว่ามันไม่มีโทษก็หาไม่ สรุปว่ามันมีโทษนะมันมีโทษมากอย่าไปเอามันเลยแบบั้นนะที่ผ่านมานี่มุ่งอธิบายอนุปัสนาเจดนะว่าผู้ที่ตามเห็นเห็นอารมณ์โดยอนุปัสนาเจดนั้นจะต้องมีการละละได้อย่างนี้จริงๆละนิจจาวิปปราชละสุขาวิปปราชละอัตตวิปปราชละความเพลิดเพลินในขันห้า มีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกเมื่อโลกอันไฟลุกโชนเป็นนิดพวกเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลิอะไรกันอยู่หนอถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งนะเหมือนเรือสำราญที่กําลังจะถูกบอมภายในสิบนาทีข้างหน้าใช่ไหมแล้วกําลังเต้นรํากันอย่างเพลินเลยอย่างงี้ยนะผู้ผู้มีความรู้อยู่ข้างนอกก็บอกวู๊จะมัวเพลินอะไรกันเนอะอีกสิบนาทีเธอก็จะตายกันหมดแล้วอย่างงี้ยนะก็ลักษณะนี้เหมือนกันผู้มีปัญญาแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นนะนะ บอกเธอทั้งหลายเนี่ยสังขารมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นอนัตตาอย่างนี้เธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินอะไรในสังขารที่มันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นอนัตตาอย่างนี้เล่าเธอจะยึดถือเอาไว้ทําไมเนี่ยนะจะยึดถือเอาไว้ทําไมก็ถามว่าทําไมอะไรนะโอ้ไปไปเก็บทองได้ก้อนหนึ่งอะนะก้อนโตมากเลยกรำไม่แน่นเลยแต่พอดีมันยังยังไม่เย็นเลยนะ กำลังร้อนระอูร้อยองศาพอดีเลยนะบอกว่าจะกลกรกลำมาไว้ทําไมปล่อยเธอปล่อยเธออย่างเงไม่ได้ท้องพระเจ้าค่าเป็นจริงนะพวกเราทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันมีค่ามากพระเจ้าข้าบอกต้งพิ้งเธออุ้ยมันมีค่านะค่าพวงดูแลมันมาตั้งนานแล้วนะก็ดูว่าทางพระพุทธเจ้าหรือทางพญามารจะชนะก็ดูเอานะแนวโน้มทางไหนจะชนะดีคุณกันตาอานะีจะเป็นสาวกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกพญามารดูละ นะพูดทางสารนังข้าฉามีอยู่แล้วเนอะจะเรื่องอะไรจะเอามานสารนังข้าฉามีไม่เอาอยู่แล้นั <c oughs> ่นก็ถ้านับถือพระพุทธเจ้าก็ต้องว่าตามอย่างนี้แล้นะไม่เอาแลว้วไม่ยึดแลว้วไม่เอาแลว้วก็จะจะปล่อยไปแล้วไม่เอาละทีนี้คนที่จะปล่อยจริงๆเนี่ยนะมันจะต้องรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยานระดับสูงต่อไปบอกว่าปล่อยกับยึดเนี่ยมันดีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะปล่อยกันได้ง่ายๆนะต้องมาวิจัยว่าวินิจฉัยว่าเก็บเอาไว้กับบริจาคออกไปเนี่ยข้อดีข้อเสียมันต่างกันอย่างไรอันนั้นเป็นลักษณะของอาทีนวานุปัสนายามที่ที่จะพูดต่อไปเนี่ยนะแต่ตรงนี้เนี่ยผู้ปัญญาบอกพอมาระดับนี้นะตอนแรกบอกปล่อยอย่างเดียวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปอีกภาคหนึ่งเอานก็ยังมีดีอยู่นะอันนั้นแล้วทีนี้ค่อยมาตัดสินใจว่าจะเอาไว้หรือจะปล่อยดี พระโยคาวจรนั้นย่อมมีการละธรรมที่เหลื อ, ด, อ, อด้วยยานเหล่านั้นบนัดนี้ท่านประสงค์แสดงการละนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อตามเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจะสัญญาได้อันนี้เอามาจากหน้าไหนเนี่ยเอามาจากไหนอยู่ๆก็ลอยมาอย่างนี้บอกว่าท่านประสงค์เอาการละนั้นน่ะนนั้น น, น, น, น, นั้นไหน ้อยกาสิบหกนะคุณกันตาบอกหน้าร้อยกสิบหกถูกต้องนะนะที่บอกว่าตามเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นด้วยความเที่ยงแล้วก็ย่อหน้าล่างบอกว่าเมื่อตามเห็นว่าไม่เที่ยงย่อมละนิจจะสัญญาได้ดังนี้เป็นต้นนะนะก็คือรวบไปอธิบายว่าเป็นการสรุปที่ผ่านมานะไม่ใช่ว่าไปเรื่อยว่าไปซะจนลืมเอ๊ะขึ้นต้นด้วยเรื่องอะไรเลยไม่ใช่ในคําเหล่านั้นคําที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะ ปฏิเอ่อขอไปนิพิทานุปัสนาละอะไรเอาใหม่นะทัวรอีกครั้งอันนี้จารุปัสนาละ น, นิจจสัญญาทุกขานุปัสนาละสุขสัญญาอนาตารุปัสนาละอตตะสัญญานิพิทานุปัสนาละนันธินันทิงนันธินันทิ ง, งอันนี้อันเดียวกันทีนี้ถ้าละเอ่อถ้าวิราคานุปัสนาละราคาถ้านิโรธานุปัสนาละ สมุทยัยปฏินิสักานุปัสนาละอาทานะความยึดถือตรงนี้ก็อธิบายโดยลําดับว่านันทิก่อนท่านนิพิพานุปัสนากระนันทิได้นันทินนทก็คืออย่างของมานามสกุลนันทิโกก็แปลว่าผู้มีความเพลิดเพลินที่ไม่ค่อยจะเพลินเนั้นคําว่านันทินี่ก็คือความเพลิดเพลินใช่ไหมเพราะเพลิดเพ ล, นเพลินนี่เป็นชื่อของอะไร เป็นชื่อของตันหาที่เกิดร่วมกับปีติแหมมีความสุขมากอะไรก็อร่อยไปหมดเนี่ยนะกินอิ่มนอนหลับฝันดีลูกหลานว่านอนสอนง่ายพูดอะไรเป็นไปตั้งใจคิดหมดอ่ะนะก็เพลินไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นชื่อของตันหาที่เป็นไปกับปีติส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็ท่านบอกว่าก็เข้าใจดีอยู่แล้วอ่ะนะเหมือนอธิบายไปแล้วนั่นแหละ ส่วนในคาถาทั้งหลายมีอาธิบายดังนี้ว่าคําว่าที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุอันนี้มาจากคาถาใช่ไหมหน้าไหนหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเนี่ยนะวัตถุสังกัมนาเจวะเนี่ยนะการพิจารณาอารมณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุได้ด้วยแสดงว่ามีการย้ายอยู่เหมือนกันนะย้ายว่ายังไง <c oughs> ความว่าพระโยคาวจรเห็นความแตกดับของรูปแล้วเห็นความแตกดับ อีกด้วยจิตใดการเคลื่อนย้ายจากวัตถุแรกคือรูปไปสู่วัตถุอื่นคือจิตด้วยอำนาจการเห็นความแตกดับไปย่อมมีแก่จิตแม้นั้นอีกเนี่ยนะก็แสดงว่าซ้อนซ้อนกันหลายชั้นอยู่คำว่ามีการหยุดสัญญาได้ด้วยความว่าการพิจารณาที่ละทิ้งการเกิดเสียตั้งมั่นอยู่แต่ในความเสื่อมไม่สนใจในอุทยะและใส่ใจแต่วยะอย่างเดียวเนี่ยนะ คำว่ามีกำลังในอันนึกหน่วงด้วยความว่าเห็นความแตกดับของรูปแล้วมีความสามารถในอันนึกหน่วงไม่ขาดระยะทีเดียวเพื่อประโยชน์แก่การตามเห็นความแตกดับแห่งจิตซึ่งมีความแตกดับไปเป็นอารมณ์อีกคำว่าการพิจารณาชื่อว่าวิปัสนาความว่าการพิจารณาอารมณ์นั้นชื่อว่าพังคานุปัสนา คือพิจารณาขันรูปขันเสร็จก็พิจารณาปัญญาพิจารณาจิตนั่นแหละโดยอนุปัสนาเจตพิจารณาเวทนาเสร็จก็พิจา ร, รณาเวสนาโดยอนุปัสนาเจตก็พิจารณาปัญญานั่นแหละโดยอนุปัสนาเจตอีกก็ซ้อนซอนซ้อนซกันไปอย่างนี้นะจนกว่าจะละกิเลสได้คถ า, าที่สองว่าคําว่าการกําหนดสังขารทั้งสองโดยมีสภาพเป็นอันเดียวกันโดยคล้อยตามอารมณ์นั่นแหละความว่า กำหนดสังขารทั้งสองโดยมีสภาพเป็นอันเดียวกันทีเดียวอย่างนี้ว่าสังขาร น, นี้ย่อมแตกดับไปฉันใดสังขารแม้่อในอดีตก็แตกดับไปแล้วฉันนั้นสังขารในอนาคตก็จะแตกจะแตกดับไปฉันนั้นดังนี้โดยคล้อยตามคือโดยลำดับแห่งอารมณ์ที่เห็นแล้วโดยประจักษ์ก็ไม่ไม่ต่างอะไรกันเลยสังขารทั้งหลายเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปเนี่ยที่เขาพิจารณาอะไรนะ มีลูกอยู่แม่คนหนึ่งมีลูกอยู่สิบคนเนี่งนะถูกประหารมาแล้วเก้าคนเออแปดคนคนที่เก้ากำลังถูกตัดคออยู่ไอ้คนที่สิบก็กําลังลากมาสู่แดนประหารนี่ก็เลยไม่ต่างกันบอกบอกว่าลูกเราทุกคนมันนักนักโทษประหารทั้งนั้นว่าไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะสมจริงดังคําที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าพระโยคาวจรผู้มีความเห็นหมดจดในสังขารที่มีอยู่ เห็นได้บริสุทธิ์เนี่ยนะย่อมนำยาณที่คล้อยตามความเห็นนั้นน่ะไปในสังขารที่เป็นอดีตและสังขารที่เป็นอนาคตว่าสังขารแม้ทั้งปวงมีปกติแตกทำลายไปเหมือนหยาดน้ำหยาดน้ำค้างในคราวที่พระอาทิตย์ขึ้นไม่ไม่ต่างกันจะเห็นว่าแม้กระทั่งระดับพังคารุปสนาญาณก็ไม่ทิ้งในการพิจารณาอดีตอนาคตอะไรใช่ไหมท่านล็อกอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวนี่ไม่พอจริงๆ แม้แต่วิปัสนาญาณระดับสูงพังคานุปัสนาญาณก็ยังอดีตและอนาคตอีกอยู่ดีเป็นการพิจารณาคล้อยตามโน้มไปตามเห็นตามว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรานี่นมีความสุขอยู่แต่กับสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยู่มีความสุขอยู่กับอะไรสาคัญว่าเป็นสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงหวังว่าจะเป็นสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะว่าเมาไปแท้ๆเนี่ยนะ